พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11อกุมภาพันธ์ 2,559 มีชื่อเรื่องว่าสาระของชีวิตคืออะไร หมู่ว่านพระออกไปฉันข้างนอกหลายองค์นั่หมู่ว่านไงไปหน้าคำหน่อย9องค์ไปอำเภอกุจจับ4องค์พระในวัดในวัดของเราเดี๋ยวมีอยู่37มสรูปนะแต่วันนี้รู้สึกพระงดฉันหลายองค์13องค์วันนี้ หนาวของเราก็รู้สึกว่าลดลงวันนี้เมื่อวานเน่ตอนเทียงเทียงใบใบชะนีมันร้องสมชายประกาศพอมันหนาวมาหลายวันสมชายประกาศเมื่อวานเนี่ยวันนี้รู้สึกอุ่นขึ้นละอุ่นขึ้นนิดหน่อยอุ่นขึ้นกว่าเมื่อวานมันก่อนนั้น <c oughs> คงจะถอยลวมั้งแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ด กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559งานของพวกเราก็ใกลเข้ามาแล้วล่ะดูดูให้กูบาทั้งหลายก็พยายามดูความสะอาดบริเวณพวกหญ้าพวกอะไรช่วยๆกันดูนะแต่หลวงพ่ออาจจะลงไปทุระนะข่าวดิจวนเจียนเต็มทน เรมามอภให้พวกพระนั่นแหละเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกเพระาะว่างานนี้ไม่ใช่งานใหญ่แต่ถึงนี่ยังไงก็ขหนีมนีน่มนิครูบาอาจารย์นมนพระผู้ที่องค์ที่จะมาได้ใหช้ช่วยกันคิดกันแล้วกันนะให้ปรึกษากันท่านบางทีอาจจะเทียกรัตนะท่านหน่อยเข้ามา นิมนต์เกี่ยวกับนิมนต์พระที่รู้จักมักคุ้นรู้พระใกล้ๆนะไม่ต้องเอาไกลหรอกเพราะต่างคนก็ต่างมีภาระพราะว่าเป็นวันมาคะบูชาเราก็ทำแบบเรียก่ายแต่หลวงพ่อกคคิดว่าจะตุปัจจัยพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบมา ขอเอาคงจะเอาเข้าสมทบแ่งานเจดีสร้างเจดีขององค์หลวงตาถึงจะไม่ได้สร้างที่วัดป่าบ้านตาดอาจจะสร้างที่วัดเราก็ได้สมทบเข้ามาเลยให้เป็นก้อนขึ้นมาเราคิดเหมือนกันถ่าวัดป่าบ้านตัดเป็นยังไงแต่ต้องที่ยังไงก็พยายามให้บ้านพ่อขึ้นก่อน พวกเราเนี่ยบ้านพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเรายังคอยว่ากันถ้าเป็นไปได้ถะแต่เป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบ้านพ่อขึ้นแล้วก็พอใจแล้วแต่บ้านพ่อไม่ขึ้นนั่นแหละจะถูปัจจัยเนี่ยเราก็ต้องหมุนไปทางไหนก็ได้แต่ถึงังไงก็ต้องเป็นเจดีของหลวงตาพอถึงเงินจะถูกปัจจัยที่ ทำบุญในคราวนี้ทำบุญในวัดของเราถ้าเป็นมีส่วนเศษส่วนเกินที่ถวายพระสองฆ์องค์เจ้าจบเรียบร้อยแล้วก็วคงจะสมทบเข้าไปเงินสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาหนะลวงพ่อว่านะอันนี้ก็ยังยังไม่ได้ปรึกษากับคณะสงฆ์ดูก่อนแต่แนวความคิดของหลวงพอ่อคงพ่อว่าอย่างนั้นลหละพอเราทำบุญเนี่ย เพราะเราทําบุญทําบุญเพื่อให้อุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณในเมื่อเราทําบุญแล้วลเราอุทิศให้ผู้มีอุปอุปกระคุณเหล่านั้นมีส่วนร่วมในการสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาด้วยนะหลวงพ่อว่าน่าจะลักษณะอย่างนั้นนะแต่ทั้งยังไงก็ข อ, ขอให้พวกเราคณะจต่าญาติโยม ทุกคนการสร้างคุณงามความดีของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ําได้กล่าวว่าสาระชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละท่านคืออะไรให้พวกเรานึกทบทบทวนดูตั้งแต่วันเกิดของเราจนถึงวันจุดจบของชีวิตของเราแต่ไม่ใช่เราดูแต่เราเท่านั้นให้ดูคนอื่นด้วย รู้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านจากไปหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเราใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับเราที่เรารู้เรารู้จักตั้งแต่เขาเกิดมาจนสิ้นสุดของชีวิตเขาได้สาระสาระของเขาที่เป็นสาระจริงๆในตัวของแต่ละท่านแต่ละคนจากนั้นก็น้อมมาหาตัวเองอีก สาระชีวิตของข้าพไปเจ้าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะอยากจะให้พวกเราทบทวนดูให้ดีถ้าทบทวนดูให้ดีแล้วนะเราจะวางแผนผังวางแผนแปลนชีวิตของเราทีนี้เราจะเดินอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเรานะเราจะบําเพ็ญคุณงามความดีอย่างไร เราจะสังสมบูญณ์กุศลเข้าสู่จิตใจของเราอย่างไรพวกเราต้องดูนะทีนี้นะอย่างที่หลวงพ่อได้ปารกเมื่อเช้าเยสามีภรรยาคู่หนึ่งบวชในวัดของเราเพื่อไม่นานมาเนี่ยหลวงพ่อเออยินดีอนุมโมทนาขออยังไงกลยให้มุ่งมั่นมองไปข้างหน้าให้ทั้งอกทั้งใจภาวนาปฏิบัติ หาได้ยากในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีพระมหากัตสปะเทระนะตั้งแต่เกิดมาทั้งตั้งลงมาจากพรมลงมาจากพรมลงมาเกิดแต่ในการแต่งงานกแต่งงานด้วยความบังคับแต่อยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องจากนั้นก็แสวงหาทางบวช พระมหากระจตากขเนี่ยมาเจอพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฟังเทพพระพุทธเจ้าก็บวชเอหิภิกขุแล้วต่อมานางปัตกาพิลาณีที่เป็นสาวิกาที่เป็นพันยาเก่าของพระมหากระจตาบวชเป็นภิกษุณีอีกในครั้งพุทธกาลก็ได้รับเอธะคะทางคู่ พระมหากรตปะเป็นผู้โดดเด่นในพุทธศาสนาที่ทำสังฆายนาพระพุทธเจ้าสมัยเมื่อพระองค์ยังสงผพระชนอยู่ก็ถามหาพร ะ, พระมหากรตปะบ่อยบ่อยครั้งนี่แหละข้อสำคัญให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพระมหากรตปะท่านเป็นตัวอย่างที่ดีท่านมองดูอย่างที่หลวงพ่อว่านะ สาระของชีวิตคืออะไรนะ่ยท่านมองไปข้างหน้าเลยสาระชีวิตคือมันไม่มีอะไรที่เราจะทํามาหาเลี้ยงชีพการทาบุญทําทานนอกจากสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนั่นแนหะคือเป็นบุญเป็นกุศลแต่นอกจากนั้นไปแล้วผมไม่รู้จะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างอาหารวันนี้เอออาหารดีเออถูกปากถูกลิ้นเออพอฉันไปแล้วผมมันก่อนนะ่ะ ไหลไปตามสภาพของมันวันพรุ่นี้เอามาชั้นอีกบางเอววันนี้ไม่อร่อยไม่อร่อยวันพนูุ่น่เอาวันทีอ่อาหารอร่อยมันก็อยู่อย่างนั้นนะมันก็วกวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็เป็นอุจจระไปอย่างเก่า อ, อ, อันนั้นคือสาระใช่ไหมในเมื่อมันอร่อยเพียงอยู่ในปลิ้นของเราเท่านั้นอันนั้นคือสาระใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่อีกเหมือนกัน เพราะมันผ่านไปแล้วก็คือมันผ่านไปแล้วเดีววันพุ่งนี่ถ้าว่าไม่ถูกใจครับเกิดอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาล่ะขุนเคืองขึ้นมาอาหารไม่พอใจอาหารไม่ถูกลิ้นนั่นแหละมันก็มีเพียงแค่นั้นแต่ละวีดแต่ละวันดึกนึกดูสชเออเพราะนั้นเรื่องการเป็นอยู่ของเราอันไหนคือสาระ น, ะนอกจากจะทาจิตใจให้สงบจิตใจให้ หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตฏสงสารนั่นแหละอันนั้นคือสาระชีวิตอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นให้พวกเราหาจุดนั้นนะจุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาหาอย่าส่งจิตออกนอกอย่างที่ว่านะให้อยู่ในจิตให้มีสติให้มีสติสัมปชัญญะโยกับตัวเองถ้าส่งจิตออกนอกแล้ขาดทุน ใครก็ตามมาบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วสรงจิตออกนอกราคขาดทุนนะให้อยู่ติให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองให้รู้ให้ดูรู้อยู่กับตัวเองเดี๋ยวนี้เราทําอะไรอยู่ขณะนี้เราคิดอะไรอยู่มันเป็นศีลเป็นธรรมไหมมันอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไหมอยู่ในกรอบที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้คิดไหม อันนี้เราต้องอยู่สติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดผู้นั้นแหะเป็นผู้ได้กําไรท่านส่งสีมองอนอกเออเราเฮ้ยคิดไปเลยผลที่สุดก็คิดกุ้มอกกุ้มใจเทียบให้ทุกข์ว้าหวีอ้างว่างเงียบเงาซึมเศรา้าข่าวไปเจ้ามาบวชผิดหรือถูกนเะอเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อคิดไปนู่นหวนไปทางโลกเหมือนกับทางโลกเป็นสวรรค์วิมานเหมือนกับเราไม่เคยอยู่ เ, ออเหมือนกัน ว, า, วาดฝันไป เราได้อะไรกันก็อย่างที่เราคิดมาก่อนหน้านี้แล้วสาระของชีวิตนั่นคืออะไรนถ้าเราคิดดูให้ดีทบทวนดูให้ดีมันจะมีแต่เกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแหละอยู่ในโลกอันนี้เราหาหนทางที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดให้หนีจากการเกิดแก่เจ็บตายของของเราใ ห, ให้มันสั้นเข้าให้มันเห็นถ้าส่งจิตออกนอก ขาดทุนหลวงพ่อว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพระก็ตามคนที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดทานอาหารมือเดียวอยู่ในที่เป่าเปี่ยวเดียวได้อีกต่างหากและส่งจิตออกไปข้างนอกถ้าขาดทุนผลปีมันไม่เหมือนทางโลกเขานะทางโลกเขานผลิตลดขึ้นมาขายส่งต่างประเทศส่งข้าวต่างประเทศส่งมันต่างประเทศส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งไปแล้วได้กำไรพอส่งไปต่างประเทศขายได้กำไรแต่ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกมิตรขาดทุนลูกเดียวพวกเราส่งไว้ส่งไปส่งมากๆเข้าไปแล้วเป็นบานแต่ยอยู่ในวัดนะแต่อยู่ในวัดของเราเนี่ยส่งจิตออกไปข้างนอกมากๆ เ, เป็นบ้าสเลยเลืมตัวเองเอพราะในจุดสติอยู่กับไม่อยู่กับตัวเองยขาดสติเลย เพราะนั้นอยู่กับตัวเองถ้าผู้ใดมีสติพยายามให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนั่นแหละผู้ได้กาไรให้พวกเรานึกคิดอย่างนั้นนะแต่อยู่กับจิตใจอยู่เป็นสมาธิอยู่ตลอดจิตใจแน่นเป้งอยู่ในจิตใจจิตใจที่เป็นสมาธิไม่ต้องปรุงฟุ้งเราผ่านมาตั้งโลกจนพอแรงแล้วมันมีอะไรที่เป็นสาระต้องย้อนถามตนเองอยู่เสมอ ถ้าย้อนถามตัวเองอยู่ยงนั้นละไม่ลืมตัวนะการไม่ลืมตัวนั่นแหละ อ, อมีสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละนั่นแหละเป็นหนทางที่จะเดินเ อ, อไปสู่มรรคผลนิพพานได้นะคณะสัทยาญาณโยมพระเนรลูกหลานนะเอารับพรรับนุมโมทนาให้พร